ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10ตุลาคม2547มีชื่อเรื่องว่าปากไม่ดีกินขี้เป็นอาหารใครจะดา่าเออ พระรหันดาครูบาจารย์เนี่ยต้องระมัดระวังเเเป็นบาปเป็นกรรมเพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราน่ในครั้งพุทธการเนพระสัมผูกะเนี่ยสัมผูกะเป็นดีลถีในกรุงราชจะคือแต่ก่อนหน้านี้สัมผูกะเนี่ยเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะสมัยนะยั้นอายุยืนสองหมื่นปี ในพัตตะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์กุกุสันโธองค์หนึ่งโกณคคมโ น, นงโองค์หนึ่งกัจจปโธองค์หนึ่งโคตโมองค์หนึ่งอริยะเมตโยองค์หนึ่งอริยะเมตโยก็คือพระศีอารเนี่ยยังไม่มาตรแต่พระโคตโมก็ ค, คือองค์ของเราปัจจุบันเนี่ยอายุร้อปีเป็นอายุไข่พระกัจจปโธเนี่ยอายุสองหมปีเป็นอายุไข่เห็นโกณคคมโนปุกุสันโธ ไปว่า5องค์ในพัตตะกับนี้แต่ว่าสัมภูกาเนี่เป็นพระบวชในสำนักในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจ ป, ป่อายุยืนสอง0 0ื่ปีเทนี้ท่านก็ตั้งสำนักอยู่ในป่าเป็นวัดอยู่ในป่าสำนักท่านก็อยู่องค์เดียวก็มีโยมอุปธรรมประทับโยมเศรษฐีบ้านนอกเหมือนันเถดูแลอุปธรรมประทับสร้างวัดให้ท่านคือเขาอยากจะได้บุญเหมือนนท่านก็อยู่กับโยมนะ่ะ ต่อมามีพระองค์หนึ่งเข้าไปเป็นพระอรหันต์องค์นี้เดินทุดงไปไปก็ไปเห็นญาติโยมคนนั้นก็นเห็นบัดนี่โยมอุปถักต์วัดโอ้พระคุณเจ้ามาดีเออมาอยู่ที่วัดของกับผมกับดีแล้วอยู่กับพระของกับผมหลวงพ่อของกับผมเนี่ยสององค์บัด น, นี่นิมนต์เข้ามาฉันในบ้านของกับผมอญาติโยมเห็นก็เลยเออท่านเดินทุดงมานาน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 ยกเตียงไปให้เพราะ ง, งั้นถ้าเอาคนใช้ยกเตียงไปให้ขอให้ท่านพักในวัดของกับผมนะถ้าตอนเช้าก่อนนิมนต์มาบินทบาทที่บ้านของกับผมกับผมจะถวายพระตหารพระสองรูปท่านก่อนหนิงเฉยรับเพา ง, งั้นเถอะทีนี้พอฉันจะหันเสร็จแล้วก็ส่งมาวัดแต่องค์เจ้าอาว่า น, นี่ชนอยู่ในใจอิจฉาวันเดียวไปออโมโหเพรา ง, งั้นเถอะ ว่านี่โยมออกใจพระพี่มาใหม่เนี่ยเราอยู่ที่นี่เขาไม่ประวัลนาอย่างนี้องค์ที่มาใหม่นี่มาญาติโยมเขาเลื่อมใสนับถือกลัวจะมาแย่งตัวเองวะ ง, งั้นเถอะกลัวจะมาแย่งศรัทธาพยายามจะทํำยังไงจรึงจะให้พระองค์นี้หนีออกจากวัดโดยเร็วว่า ง, งั้นเถอะพอที้เขามาส่งเรียบร้อยพระองค์นี้ก็ไปด่าเลยด่าพระราหันวะ ง, งั้นเถอะ ท่านไม่ควรจะอยู่ที่นี่ที่ญาติโยมเขาโป่งผมให้ท่านเลยท่านควรจะเอาเส้นตาลเส้นตาลโป่งผมอท่านควรจะกินขี้วันน่ะท่านควรจะแก้ผ้าท่านควรจะนอนพื้นแผ่นดินท่านไม่ควรจะนอนเตียงเขาด่าพระนะท่านพระรหันต์นี่ก็เฉยอพระองค์นี้เป็นอันธพาลมาด่าเราเนี่ยท่านก็เฉยเพราะท่านเป็นพระรหันต์ท่านไม่โกรธไม่อะ ถือพยาบาทอยู่แล้วงั้นเถะคือด่าสี่อย่างนนาวน น, นแต่นี่ก็พอด่าเสร็จแล้วก็กลับไปพอกลับไปพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็จัดซาลาปูปับไปบิณฑบาตไม่ไปบอกได้ป่ะนะว่ไปบอกพระอารหันต์ได้ไม่ไปบอกพระาอารหันต์ท่านท่านก็พักอยู่กุติเอาเราไปบอกพระเอานั้นไปบิณฑบาตด้วยกับเราเียกไปฉันอาหาร ของญาติโยมที่ถวายแล้วก็ติดใจอีกจะไม่ไปจากที่นี่อีกถ้าเราไม่ไปบอกหรือไม่เคาะระคังนี่เขาก็จะหาว่าเราอิจฉากันเอาเถอะเราจะใช้กลอุบายว่าเราเคาะระคังแล้วว่าองค์นี้ไม่ไปพอที่สูุก็ไปเห็นระคังแล้วนิ้วมือดิ่ตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตังเขาคาะระคังเหมือนกันเถอะเคาะดังก็กลองค์นั้นได้ยินเหมือนกันเคาะดิ่ตั้งตั้งตั้งตังตังตเสร็จแล้วกัไปบิดทบบาท พอวินทบาตญาติโยมคนนั้นก็เห็นเอ้าพระคุณท่านมาองค์เดียวเหรอเฮ้ยพระองค์ที่มาเมื่อวาน น, นอนยังไม่ตื่นเมื่ปานนี่นอนเตียงของโยมนะคงนอนไม่ตื่นหรอกญาติโยมคนนั้นก็เลยคิดเฮ้พระองค์ที่เราดูเมื่อาวา น, ท, านาาวท่านมีสัมมาคารวัตท่านมีศีลโมริสุทธิ์หน้าเลื่อมใสยอย่างมากไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คงจะพระอิจฉากันช่แล้วโยมคนนั้นคิดนะเคงจะพระคงอิจฉากันแล้วสิ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 ถ้าว่าเอาอาหารดีๆอย่างนี้ไปให้พระองค์นั่งชันนะมันคงจะไม่หนีจากวัดเราง่ไงวะเกรยโยนอาหารทิ้งเข้าป่าเลยแบบนั้นเนี่ยโธงโยนอาหารทิ้งเข้าป่าเลยพอทิ้งเข้าป่าเสร็จแล้วก็กลับไปถึงวัดพอกลับไปถึงวัดนี่ไปดูๆซิทำไมาเงียบนักพรานี่ไปยังไงที่ไหนได้ท่านเปิดแหนบเราเหมือนั น, น ท, ท่านบอกโอ้ไม่ได้พระ อ, องค์นี้จะขืนอยู่คงจะสร้างบาปกรรมใส่ตัวเองอย่างมากเออ ด่าเราเนี่ยพอแรงอยู่แล้วถึงเราจะขืนอยู่ต่อไปคงไม่เป็นมงคลกับชีวิตของเขาเราควรจะหนีไปก่อนแไปก็เลยหนีไปพอนี้ไปภาวนี่ไปหาที่นอนก็งเขาไม่เจอท่านี่งโอ้ท่านคงจะรู้ว่าเราคิดเลือกอะไรอคงจะเป็นพระรหัสจำบ้างภาวนี้เหงือนกันก็เลยคิดนึกเสียวเหมือนกันนั่นแหละท่านบวชมาถึงสองหมื่นปีบําเพ็ญพจน์อยู่สองหมืนปี ไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ได้บาป ก, กรรมที่ด่าพระหรหันต์ตกลงอวจีมหานรกเลยอย่างั้นเลยพอตกขึ้นมาทีนี้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอเกิดขึ้นมาพอรู้เรียนสะกินขี้ตัวเองบ้านีขายออกมาเนะีกินเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอ๊ะมันใหญ่มาคงจะหายมั้งมันเด็กมันคงไม่รู้อะไรเลยทีนี้มันก็เลยกินขี้ตัวเองตลอดเล ย, ยงั้นเลย ตอนี้เอาผ้าให้นุ่งก็เป็นนุ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วแก้ผ้าบ้านอ้าวอ่าผในสุดนอนก็นอนกับดินนอนกับพื้นก็ไป่ได้ไปนอนกับดินนูเอพอาะด่าพระอรหันต์เนี่ยเอด่าอะไรได้รับอย่างนั้นเหมือนกันแตอท่านจงนอนที่ดินจะเป็นนอนเตียงของเขาเอ่สมควรนอนดินท่านตัวเองอะไรเกิดมาชาตินี้ก็เลยนอนดินแต่นี้พ่อแม่ก็เลยเขตแต่ชีเปลยเท่านั้นแล้วไม่นุ่งผ้าเอาไปฝากกับชีเปลยบ้านนี้ ในศาสนาข่าวนะั้นมันมีชีเปลือยเยอะแยะเนะก็เลยไปฝากไว้กับชีเปลือยพอไปฝากไว้กับชีเปลือยก็เออรับพอเปิดลูกคนรํารวยใช่ไหมเออก็รับพอรับที่นี่ก็ตามปกติเขาจะโกนผมพวกชีเปลือกโกนผมแล้วก็จะขุดหลุมลงไปพอขุดหลุมลงไปก็ให้คนที่จะโป่งผมนั้นยืนขึ้นมาดินเพียงคอหนะึ่งหาไม้พาดหนีบคอไว้ไว้ทั้งสี่จากนั้นก็เอ า, เอาทางมะพร้าวเนี่ยนะเออ พันพันพนผมอ ย, ยางกระตุกถอนผลด้วยเช่นมะพร้าวอ่างั้นเถอะเออโอ้ยมันเจ็บขนาดไหนพวหัวแดงเถือกอย่างั้นเถอะเหมือนกับถอนขนไก่อย่างนั้นอะ่ะเออพอได้ดาพ่อละหันอย่างนั้นเลยตัวเองก็ได้รับอย่างนั้นเถอะพอถอนผมเสร็จแล้วเอาขึ้นมาเกลีกางคืนมันก็ไปกินขี้ในช่วมยังเก่าได้<ม>บ้านี้ต่อไปต่อมาพอบวชก็ามาบ้านนี้มูไปบินถวัดไปหาอาหารปะไปบินถวัดไปหาอาหารไปไปเลย ผมไม่กินหรอกอ่า ง, งั้นนะเอ๊ะองนี้มันกินอะไรอะไรนี่เขาก็เลยเอาชีเปยืยสองสามคนดักซุ่มดูว่ามันมันทําอะไรมันทําไมไม่มีกินข้าวพอที่สุดพอพลอกชีเปลยหมุนนี่ไปหน่อยนึงเท่านั้นไอ้ซัาภูกานี่ก็ย่องแยงเราไปไปปั้นอุดจระในฐานมันเข้าไปกินเอากินเอากินเอากันเออะเลอออร่อยเลยอ่างั้นเถอะเออ แต่พวกเราถามว่ามันไม่ตายเลยมันไม่ตา ย, ยได้กรรมเลยมันใช้กรรมมันไม่ตายเลยเหมือนกับช้างกินหญ้าอย่างนั้น่ะออช้างกินหญ้าทําไมไม่ตายเาพราะมันกรรมของมันเล ย, ยกรรมไขรกรรมเราอ่างนั้นะแต่นีเขาไปกินขึ้นมาพวกชีเปลยทั้งสามสี่คนเห็นโอ้ยไอ้ น, นี่มันกินขี้ถ้าไมพวามันพวกไม่ ไ, มไปบ้านก่อีใสุดหัวหน้าชีเปลยมาโอ้ยไม่ได้ถ้าได้ยินอย่างนี้ คนทั้งหลายก็ก็เจอหาว่าชีปเปลือกินอุจจระตัวเองเนี่ยตายไล่นี้ว่นี่พอไล่นี้ไปทีนี้ไปอยู่นู่นและะน้วบาดไปอยู่ในที่หินลาดในกรุงลาดจะคือมันเป็นหินลาดเอ ย, อยู่นอกเมืองไอ้ตรงนั้นเป็นว่าแขกขี้อเอาลงไปเอคงจะเคยเห็นมา้ไปอินเดียเนี่ยตอนเช้ามา เ, เป็นนั่งอยู่ท้องนานแล้วก็ขาวเหมือนดอกเห็ดเหมือนนั่นเถอะเอ๊ะทำไมแขกออกมาแต่เช้านักหนา ไม่ใช่ขี้ธรรมดานะบอกขี้แล้วก็คุยกันด้วยนะคำว่าขี้คุยขี้คุยนี่เออเนี่ยมันมาจากคำนี้หรอือไงขี้แล้วยังคุยกันอีกมั้งั่นเถอะเออเอายาว่าแขกขี้คุยอย่างั้ น, นเอะออเออแต่ทนี้เหมือนกันดีวพวกแขกว่าตองไปขี้ใส่หินลาดเอะแต่ทีนี้สมภูการก็เห็นโอ้ทําเลยี่ดีเว้ยชุมภูการก็ไปอยู่ที่นั่นแหละอยู่บริเวณนั้นออ ตอนกลางวันตอนสว่างมาเห็นคนมามากทําถามว่าวาแขนนี่อ้าปากแลกเหยียบขากระหนึ่งยืนขาข้างเดียวกั น, นอ้าปากอีกต่างหากคนไปเห็นโอ้โหตัปากแก่เหลือเกินไม่นุ่งผ้าอีกต่างหากใช่ไหมเอีชีเปลือยจะนี้ตปะแก่เหลือเกินเอาทําไมท่านไม่เหยียบดินเขถามเหยียบไม่ได้พอเหยียบแล้วแผ่นดินถล่มโลกนี่แตกเลยเหมนเพราะเรเหยียบขาเดียวพอเหมอนกัเอาทำไมท่านจึงอ้าปาก ข้าพเจ้ากินลมก็พอไม่ได้ไม่กินอย่างอื่นเหมือนกันขี่คุยจังหากได้เหมือนไงมาแขกมันชอบขี่คุยเด้แต่เด็กเขาโอ้โหศรัทธาเคาเรพเลื่อมใสนับถือใครเอาเนมเอาเนยเอาเน้ำผึ่งมาให้ เ, เอายญ้าพามาจิ้มปับ๊บแตะใส่ปลายลิ้นนั่นแหะเอาไปไ ป, ไปพอละอาตมาไม่ฉันหรอกฉันเพียงแค่นี้พอโอโ้ลูกศิษย์ลูกหาบมากมายเลยช่านเอ่แต่พอตกกลางคืนมานไะง อพอเหยียดขาลงไปไปนู่นนะไปหากินขี้เขาที่เขาถ่ายเหมือนกันเถอะเนี่ยแหละอันนี้คือชีวิตของสัมภูกะอายุธอยู่ที่นั่นถึงห้าสิบห้าปีเน่ยใช้กรรมอยู่นั่นนะห้าสิบห้าปีแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนามองดูสัตวโลกก่อนจวนสว่างสัมภูกระเข้ามาในพยานของพระองค์คือเข้ามาในจอเรดาร์ของพระองค์เหมือนกันเถอะ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 เขายังเป็นชัมพูกะอยู่เดี๋ยวเราจะไปโปลดเขาวันนี้จากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกพระอนุลไม่ได้เพระอ น, นุลไปด้วยได้ไปองค์เดียวเหอนกันน่ยพอเทวดารู้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปโปรดัมปูกะตัวนั้นเป็นติดสุกกระบอกเนี่เพราะเป็นฐานช่วมของทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันเลยตอนเทวดาก็นนบันดาลให้ฝนตกอย่างแรงสะล้างให้สะอาดหมดเลยจะให้พระพุทธองค์ก็ไปไปตามลําพัง พอไปเห็นสัมูกะไอซัมปูกะเราจะมาขอพักค้างโดยได้ไหมซัมปูกะไม่ได้เพราะกลัวคนอื่นจะเห็นเรื่องของตัวเองเหมือนกันเถอะ ไ, ไ, ไม่ได้อ้าวไม่ได้ยังไงเราก็เป็นนักโพสท่านก็เป็นนักโพสเหมือนกันเอานักโพสท่านมีอะไรบ้างท่านมีกระติกน้ํำไหมท่านท่านมีหนังมีเสือไหมมีอะไรเมื่อถามหมดเลยพะพูดได้ยาวว่ามีแต่เราไม่ได้ถือมาด้วยแต่เราขอพักที่นี่ได้ไหม ไม่ได้แล้วอย่างนั้นเราขอพักที่เงื่อมหินนั่นได้ไหมเออได้อยู่ถ้าจะพักที่นั่นได้แต่นี่พูดองค์ก็ไปพักที่เงื่อมหินอีกข่างไปไม่ไกลเออวันนั้นพวกพุทธเจ้ามีเมตตาขนาดไหนขนาดชัมภูการ เ, เออกินอุจจระตัวเองยังยั ง, ยงมีเมตตาไปสอนมันนั่นแลในสูตรก็เลยไปพักอยู่ที่นั่นพอกลางคืนมาพรมลงมาเทวดาลงมาพระอินทร์ลงมาแสงสว่างไปหมดเลยเพรุ่งนี้เช้ามาสัมภูกะก็ไปถามมาเอ๊ะเมื่อคืนนี่สมณะ ทำไมแสงสว่างเลือเกินท่านมีอะไรเอ้ยผมมาหาเราเทวดามาหาเราพระอินมาหาเราเมื่อคืนนี่นะผมมาหาเฉลือเหมือนสัมภู ก, กะแปลกใจเหมใช่ผมอยู่ที่นี่นะผมกินอากาศเอเพ่งตะปะไม่เหยียบแผ่นดินพวกผมพวกเทวดาไม่มาหาผมเลยเหมือนพระพุทธเจา้าบอกเอ้ยสัมภูกะ เโกหกคนทั้งแผ่นดินจะมาโกหกเราเหรอเธอนั้นนไปกินอุจจาระของเขาทุกคืนทำไมไม่พูดพอโพธนกรมหน้าว๊บเลยสิพอรู้จักเลยทีเดียวเลยยอมเลยว่ากันเถอะพุทธองค์ก็เลยเทศให้ฟังพราเทศให้ฟังมีความละอายบาตนี้พวกพุทธองค์ก็เลยโยนผ้าอาบน้ําให้ให้นุ่งว่ากันเขาก็ได้นุ่งผ้าอาบน้ําพอหนุ่งผ้าอาบน้ําเสร็จพุทธองค์ก็เทศให้ฟังพราะเทศให้ฟังเขาเกิดความเคารพเลื่อมใสนับถือ ขอบวชในพุทธศาสนาพูดองค์ก็ บ, บอกว่าเอหีภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเราก่าวดีแล้วเป็นพระภิกษุจากนั้นเทศให้ฟังได้สำเร็จเป็นพระรหันต์เนีมดกรรมบดัดเนี่ยพอมดกรรมตีนี้ก็พอสว่างขึ้นมาบณิชาวบ้านห ล, ลังไหลมาแล้วบดวเนี่อเราไมา่ถือมากาบสัมพูกะทุกวันเนะ่เพราะเขาเริ่มใสเป็นอาจารย์ของเขา พวกญาติโยมเห็นเอ๊ะสมมณะโคดมกับสัมภูกาเนี่ใครแน่กว่ากันวะใครเป็นอาจารย์ใครแน่ว่ะเออพระพุทธองค์บอกว่าสัมภูกาทําความเข้าใจกับเขาซะเขาสงสัยสัมภูกาเลยเข้าไปกาพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าสมณะโคดมพุทธเจ้าเออเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ลูกศิษย์ของพระสัมมาณโคโดมคนทั้งหลายก็เลยโอ้ขนาดสัมภูกะขนาดนี้ยังเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะขนาดไหนเธนี่ยจากนี้พระองค์ก็เลยเทศให้พวกนั้นฟังพวกนั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลถึงพระไตรสนนคมมีมากเลยที่เป็นลูกศิษย์สัมภูกะนี่แหละอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกได้ท ร, รมัทัตตคถา มาในพระไตรปิฎกไม่ใช่หลวงพ่อพูดเอาเล่นๆนะผลนั้นใครจะด่าหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาให้ระวังกันแล้วกันใครด่าอะไรจะได้รับอย่างนั้นเล้เห็นไม่ซ้าผูกด่าสี่อย่างก็ได้รับ4อย่างใช่ไหมท่านจงถอนผมผมด้วยเส้นตานก็ได้ถอนเลยเหมือนนเถอท่านจงกินอุจจาระตัวเองก็กิกนหนึ่งจริงๆเหมือนกันท่านจงแก้ผ้าไม่ควรจะใช้ผ้าของเขาเนี่ยตัวเองก็แก้ผ้าเลยเหมือนน ท่านจงนอนในแผ่นดินไม่ควรจะนอนเตียงของเขานั่สมภูกะ ก, ก็ที่นอนแผ่นดินผู้นั้นใครจะดา่าพระลหันดา่าครูบาอาจารย์น่ต้องระมัดระวังเลยเป็นบาปเป็นกรรมเอันนี้ก็คือเป็นข้อกล่าวตักเตือนสําหรับให้พวกเราสํานึกสําเนียดเหมือนกันนั่นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมสิ่งไหนไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนอง ยิ่งไปดา่าพระอรหันดาพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมดา่าพ่อดา่าแม่ก็เถิดนะบาปกรรมมหาศาลเหมือนกันนะ่ะเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทนะเชื่อบาปปุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงเลตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปบุญมีจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเชื่อใครให้นั่งภาวนานะนั่งภาวนาทั้งคืนจิตสงบแล้วไม่ต้องถามใครหรอกทีนี้เออโอ้นรกสวรรค์มีจริง ตายแ ล, ล้วร่างกายเนี่ยตายจริงๆแต่จิตใจเนี่ยไม่ตายจะรู้ได้ด้วยตนเองนะ